เพราะงั้นการฟังที่ถูกต้องก็ต้องเป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์เช่นไม่กำหนัดในอิทธารมณ์ไม่ขัดเคืองในอนิถารมณ์ไม่ลุ่มหลงทั้งอิทธารม์และอนิถารมณ์ในขณะเดียวกันก็รู้เหตุเกิดความดับอัศาธาอาทีนวะนิสรณะของอารมณ์นั้นเป็นอย่างดีเนี่ยนะที่ที่จะได้เบื่อหน่ายและคลายกำหนัดจะได้พ้นจากวัตทุกข์ได้ก็แยกแยะฟังนะว่าเอ๊ะอะไรควรฟังไหมก็ ถ้าย้อนกลับไปที่ทัศนานุตรยะเนี่ยนะก็ถ้าธรรมดาถ้าใครเป็นนักอ่านเนี่ยนะก็ดูว่านังสือไหนที่เป็นไปเพื่อวิวัตตะบ้างกับนังสือไหนที่เป็นไปเพื่อวัตตะก็แยกนังสืออ่านเนี่ยนะหลายท่านไม่อ่านนังสือพิมพ์ก็อนุโมทนาด้วยเนี่ยนะเพราะว่าอาหารของอุทจจดีๆนี่เองเนี่ยนะเชื่อเถอะในบรรดาการอ่านนังสือพิมพ์เนี่ยนะหรือนังสือทั่วๆไปอะ พอมาไม่ค่อยเห็นเลยว่าชื่นชมของวิธีไม่ทําปานาติบาตว่าเออการทําปานาติบาตมีโทษเช่นนั้นเช่นนั้นตัวเองเว้นจากทําปานาติบาตชักชวนให้ผู้อื่นงดเว้นจากการทําปานาติบาตมุทิตายินดีด้วยกับผู้ที่ไม่ทําปานาติบาตน้อยเต็มทีมีแต่ว่าเขาไปทําปานาติบาตที่นั่นมาไอคนนั้นดีใจกับการทําปานาติบาตครั้งนั้นมากเห็นไหมใกล นะนะส่งเสริมตามฝึกวิธีการตามไว้นะก็สอนเสี่ยมสอนไว้เออนี่ปาน า, าติบัาเขาทําเช่นนี้เช่นนี้นะเห็นไหมถ้าจะฆ่าก็ต้องปูระเบิดเลยนะอย่างเงี้ยก็ส่งเสริมใบสอนไปเนี่ยนะคนที่ชํานาญการในนี้ก็มาเป็นหลักสูตรสอนใหญ่โตเลยนะจะได้ทําปานาติบาคล่องขึ้นนะฆาทีจะได้เยอะๆเนี่ยนะถ้ายิงแล้วไม่ตายเลยก็ถือว่าไม่มีฝีมือนะมั้ยก็ ไอ้เจ้าที่มันระเบิดอเมริกานี่ก็อกโอ้ฝีมือดีมากโผล่หัวมายิงตายยนะอันนั้นก็เสียหายแล้วก็นั้นทั่วๆไปก็หน่พูดถึงอธินนาธานสองสรรเสริญอธินนาธานเนี่ยนะแล้วก็ใครที่ทำอัินนาธานก็ดีใจเนี่ยนะแล้วก็อีกต่อไปก็กามเมสุมิชาจา์ก็ ป, ป่นเปี้ยยอยู่แถวนั้นเนี่ยนะแล้วก็มหามูสาวาตก็อยู่ที่นั่น นะแล้วก็โฆษณาสุราใหญ่หลวงเลยนะเหล่านี้ออกมาชุดรุ่นใหม่นะดื่มแล้วก็สวรรค์บนดินก็ว่าไปเนี่ยนะจะว่าไปก็ส่งเสริมร่วงอาุศลกรรมบทเกือบทั้งนั้นเลยนะดีนะว่าพุทธสวาจานี่มันมีกฎหมายรองรับถ้าไม่อย่างนั้นนะพุทสวาจานี่คงเต็มไปหมดเนี่ยนะคือคือก็ด่าอยู่เหมือนกันแต่ว่าไม่ใช้คำที่มันผิดกฎหมายเนี่ยนะมัน ก็ดีว่าพฤ้สว aja าานี่มีกฎหมายรองรับข้อหามิ่นประมาทใช่ไหมทำไ ม, งงโอโ ม, ไม่อย่างนั้นก็โหเต็มไปหมดเลยเห็นไหมส่วนส่อเสียนี่ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดายุแยงตะแคงรัว่วเนี่ยนะถือว่าเป็นเรื่องปกติแล้วก็วา่างๆครั้งคราวก็ส่งเสริมมิจฉาทิฐิบ้างส่งเสริมอภิชาบ้างเนี่ยนะส่งเสริมพยาบาทบ้างสรุปแล้วก็ส่งเสริมอกุศลกรรมบทสิบเพราะฉะนั้นถามว่าประตูสวรรค์ หรือว่าเปิดเหวแห่งนรกเอาไว้ก็พิจารณาเอาตามแต่จะเห็นสมควรเนี่ยนะก็แยก น, นะว่าอะไรการดูแล้วก็เป็นอนุตริยะการดูแล้วไม่เป็นอนุตริยะแม้กระทั่งการฟังเหมือนกันนะฟังอะไรที่เป็นสวนานุตริยะกับฟังอะไรที่ไม่เป็นสวนานุตริยะแต่สำคัญโดยรวมๆที่สุดก็คืออยู่ที่ความเข้าใจเรื่องของ อริยสัจแล้วนะถ้าฟังมีความเข้าใจอริยสัจเป็นอย่างดีอยู่เป็นพื้นฐานแล้วฟังอะไรก็จะมองเป็นอริยสัจหมดเลยเนี่ยนะถ้าถ้าความเข้าใจเช่นกรรมมสกตาเป็นอย่างดีนะก็ถึงอ่านในบางอย่างก็โอ้นี่ปานาติบาตนะนี่เหตุก็คือมองเห็นเป็นเหตุเป็นผลเป็นกรรมมสกตาเป็นอย่างยิ่งเนี่ยนะแต่ก็คนที่มีความเข้าใจแต่ไม่ได้ว่าควรไปซ่องเสพแบบนั้นแต่ควรรู้ว่าอะไรเป็นอะไรเนี่ยนะ แยกแยะให้ให้เป็นถ้าแยกไม่เป็นก็ติดเชื้อมาหมดเลยเนี่ยนะทีนี้ต่อไปนะลาภานุตริยะการได้ทั้งหลายเนี่ยนะอะไรถือว่าได้ได้กับเสียเนี่ยนะนี้หมายถึงลาบนะการได้ลาบที่เป็นอนุตริยะว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้ย่อมได้ลาบคือบุตรบ้างเนี่ยนะได้ภริยาบ้างได้ทรัพย์บ้างหรือลาบ มากบ้างน้อยบ้างนะเรียกว่าลาบเล็กลาบใหญ่นั่นเองนะก้อนใหญ่ก้อนน้อยเนี่ยนะก็คือลาบทั้งหลายก็ต้องถามผู้ที่เคยมีบุตรเนี่ยนะพอได้ยินว่าตัวเองมีบุตรและคิดยังไงเนี่ยนะก็เลิ่มมา ก, ก น, นะก็ถามว่าเคยตั้งคําถามว่าฟังธรรมะนี่เคยปลื้มเท่ากับตอนได้บุตรบ้างไหมอย่างเงี้ยนะถ้าสังเกตถ้าอย่างงี้ไม่มีก็แสดงก็ง <c oughs> ง <c oughs> น่าดูมนันนะนั่นนะแสดงว่า แต่ว่าปกตินะผู้ที่มีบุตรแล้วไม่ดีใจก็หายากมีไม่กี่เจ้านะเว้นไว้แต่ไม่ตั้งใจมีนะแต่ถ้าโดยรวมๆแล้วก็ก็จะเพิ่มมากคาว่บบางั้นอย่างพระโพธิสัตว์นี้ได้ยินว่าท่านมีลูกะนะอมสาตมาทูลว่ามีบุตรแล้วพระเจ้าค่ะพระราชโอรสค่อนแล้วโอ้หความรักนี่จดเยื่อในกระดูกเลยคำว่บบางั้นเสร็จแล้วก็คิดว่าโอ้โหนี่น้นขนาดลูกคนเดียวนี่อย่างขนาดนี้ถ้าเรามีเป็นพันนี่จะเป็นยังไงเนี่ยโอ้แย่แน่ไม่ได้บวชแน่งานนี้คำว่บบางั้น นะก็วันนี้ขนาดลูกคนเดียวนะก็เลยเปล่งมาเลยราหูโลวังนั้นบ่วงเกิดขึ้นแล้วเนี่ยนะคือคือไม่ใช่ว่าเกลียดนะรักมากๆด้วยรักจนไม่รู้จะรักยังไงแล้วนะนะก็คว่าบ่วงก้อนโตขึ้นมาเลยบางเจ้านี่กำลังถ้ามีลูกแบบลูกเด็กๆนะแหมไปไหนเนี่ยมีรูปล็อกเกตรูปลูกนะขับรถไปก็ดูรูปลูกไปเนี่ยนะในโทรศัพท์บ้างแปะไว้ต่างๆเนี่ยนะขวัใจดูนะตอนที่ลูกมันโตๆแล้วนะสั ก, สกลูกสัก กำลังวัยรุ่นเต็มที่นะเอาลูบลูกลูบลูกมาติดยังงั้นหรือเปล่าไม่ทราบนะหรือไม่ตอนที่กำลังมันเกเต็มที่ติดยานี่ยนะเอารูปลูกมาติดไหมนะมีใครทำย่างนั้นบ้างไม่ทราบแม่ถีอูกติดในกระเป๋าเลยรูบลูกไหมรูกครอบครัวแรกแรกใช่ไหมตอนนี้พวกการติดมันตอนหลังก็รูบหลานแทนไงแรกแรกก็รูบลูกก่อน ก็กรูปไม่เอาแล้วนะพูดอย่างนี้เดี๋ยวคนอื่นเสียใจแย่หมดดูแล้วดูอีกกันนะก็ก็มีหลายคนนะสังเกตดูเขาเป็นอย่างนั้นนะที่โทรศัพท์เขาไอ้ที่กระจกแม้กระทั่งกระจกดูดูหลังดูอะไรนะก็จะมีรูปรูกรูปอะไรติดไว้แถวๆนั้นน่ะแหมเหลือบไม่เห็นก็บอกว่าโอ้ตอนนี้ไม่ต้องใช้แล้วยาโดบเขาว่างั้นดูกระจกเห็นล้ นั่นแหละยาดบเป็นอย่างดีอีกเจ้าหนึ่งเขาบอกว่ า, เ, าเขาเขาเขาเพึ่งลูกคนแรกเขานะบอกเขาได้ลูกเขาบอกว่าโหตอนนี้เขาทางานไม่เห็นแกเน็ตแกเหนื่อยเลยก็ว่ากงั้นนะอดหลับอดนอนกี่วันก็ทําได้หมดอ่ะครับวอกงั้นบอพอคิดแวบถึงลูกนะเป็นอา ร, รมณนาทิปติใหญ่มากมันก็โอ้โหสหาชาตาทิปติเนี่ยมันก็ไปดีดอย่างอื่นหมดเลยเนี่ยนะก็ทํางานได้หามร่งถามค้าหมดเลย รู้ผู้การตอนนั้นขยันขนาดนั้นด้วยปะไม่ทราบนะนึกถึงทีก็มีเรี่ยวมีแรงมา ร, ร, ร, ร, ร, รู้มาจากไหนเป็นไปหมดเลยนะก็ะะถือว่าอันนั้นก็คือลาบนะแต่ว่าเท่าที่ฟังนะฉันได้ลาบแลวนะนี่มีลาบมากเลยนะที่ศรัทธาในพระพุทธเจ้าด้วยศรัทธาที่แหมแรงกล้า ม, มั่นคงเลยที่ได้ไปกราบเนี่ยสังเวชนียสถานอย่างเงี้ยนะถ้าอย่างงี้ก็อนุมโมทนาด้วยเห็นไ ทีนี้พูดถึงผู้ที่ได้ราบนะหรือได้ศรัทธาในสมณะพราหมณ์ผู้ผู้เห็นผิดผู้ปฏิบัติผิดอย่างนั้นก็ชื่อว่าราบแต่ว่าราบนั้นไม่ค่อยดีเนี่ยนะเขาเรียกว่าได้ราบพร้อมกับเคราะห์ด้วยถ้าเคราะห์มีอยู่ก็เคราะห์เนี่ยติดตามมาเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะว่าอาหารของมิจฉาทิฐิกําลังเริ่มขึ้นแล้วเนี่ยนะครับมิจฉาทิฏฐิก็เพาะพูนมากขึ้นมากขึ้นแต่อย่าลืมว่าโลกของมิจฉาทิฐิเนี่ยเป็นสิ่งที่คนเนี่ยไม่รู้ เพราะว่ามิจฉาทิฐีนะใครจะยอมรับว่าฉันเป็นมิจฉาทิถีบ้างเออไม่ยอมเนี่ยนะเอางี้นะถ้าโกรธเอานะถ้าคนโกรธคนนั้นเนี่ยโดยมากจะยอมรับว่าฉันเสียหายที่กำลังโกรธโลภะบางอย่างเกิดบางคนจะรู้ว่านี่โลภะนะแต่ถ้าเป็นทิฐีเกิดไม่มีอะไรเว้นไว้แต่พวกทิถีห ย, ยาบๆเช่น ปฏิเสธบุญปฏิเสธบาปอันนี้ที่หยาบหยาบแบบนั้นนะถ้าอย่างนั้นอาจจะเห็นบ้งแต่ถ้าเป็นลักษณะของมิจฉาทิฏฐิที่หนึ่งนะมไม่รู้อริยสัจเนี่ยนะเช่นไม่รู้อริยสัจไม่เห็นทุกข์สมุทัยนิโรธมรรที่มันความรู้ความเห็นที่มันขัดแย้งต่อต่อหลักอริยสัจเนี่ยนะก็ยากนักที่ที่จะรู้ว่าอันนี้เป็นมิจฉาทิฏฐินั่นี่เนี่ยนะนับว่ายากมากๆเลยนะรู้ถ้าไม่เอาเรื่องอริยสัจมาจับนะ ไม่มีสิทธิ์ว่ารู้เลยว่าชันกําลังมิจฉาทิฏฐิอยู่เนี่ยนะถ้าไม่ฝึกพื้นฐานคือการคิดเรื่องอริยสัจไว้นอะืต้องต้องให้รู้จักสัมมาทิฏฐิให้ดีนะก็ลองฟังดูนะ อ, อที่นั่งกันอยู่เนี่ยที่เห็นที่เรียกว่าเห็นคนนั่งเนี่ยนะทุกสัตว์นั่งหรือว่าสัตว์นั่งกันแน่อัอนนะีเราคิดยังไงอะโดยอัธยาสัยของเราเนะี่ยจะรู้ทันทีเลยว่าจะสายสัมมาหรือมิจฉาก็อยู่แถวๆนั้นนะ่ะ เนี่ยนยแต่ว่าไม่ใช่ว่ามิจฉาทิฏฐิไม่ให้ทำบุญนะทาไม่ได้ปฏิเสธว่ามิจฉาทิถฐิไม่ทำบุญคือมิจฉาทิฐิบุคคลเนี่ยทำบุญแต่ว่าบุญอันนั้นก็ไม่ได้ให้ละเลิกมิจฉาทิฐิอะไรก็จนกว่าจะว่าเออนี่ทุกขสัตย์นั่งนะ <c oughs> นั่นแหละก็มีเข้าบ้างแล้วว่าจะมุ่งไปที่สั ม, มาทิฐิเนี่ยโดยเฉพาะมรรคสั ม, มาทิฐิก็ถือว่าได้ปัจจัยอย่างอย่างดี แต่ถ้าอ่อนกว่านั้นก็กรรมสกตานะยังไงยังไงก็ระลึกถึงกรรมสกาเอาไว้ถ้าไม่เป็นไปกับกรรมมัสกาสัมมาทิฏฐิวิปัสนาฌานมรรคผลสัมมาทิฏฐิหรือว่ารวมๆก็ถ้าไม่เป็นไปกับอริยสัจนะไม่มีโอกาสรู้เลยว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิเนี่ยนะนั้นใะ <c oughs> นศรัทธาทั้งหลายแหล่นี่นะถ้าไปไปเลื่อมสายโดยเฉพาะบุคคลผู้เป็นมิจฉาทิฏฐิเราก็ไม่ไไม่ได้รู้อะไรเลยเนี่ยนะ เพราะฉะนั้นที่กล่าวว่าการศึกษาคุณของพระพุทธเจ้าให้เข้าใจเนี่ยเป็นความสําคัญอย่างมากว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยความหมายของคําว่าพระพุทธเจ้ามายังไงปฏิบัติอะไรตรัสรู้อะไรสอนอะไรเนี่ยนะอันนี้ก็ต้องตอบให้ได้อย่างที่สองพระธรรมของพระองค์เนี่ยดียังไงท่านท่านสอนอะไรกันแน่อย่างที่สามสาวกของพระองค์เนี่ยนะท่านปฏิบัติกันยังไงอันนี้อันนี้ถือว่าให้ให้ได้สัมมาทิฏฐิอันนี้เป็นอันดับต้นๆ้นแรกๆ แต่ถ้าพื้นฐานอันนี้ไม่ดีเนี่ยนะก็สิ่งที่เราศรัทธาอยู่นี่ก็ไม่แน่ไม่แน่ใจถึงศรัทธาสิ่งที่ถูกอยู่ก็ไม่แน่ว่าจะจะเลิกเนี่ยนะจะเลิกเพราะว่าถ้าไม่รู้คุณเนี่ยเลิกสำนวนนะเคยเคยได้ยินว่าเออลิงได้ได้เพชรได้พลอยอะไรแบบนี้นะก็เห็นแรกๆ ก, ก็ดูมันใสดีอนี่ยนะคิดไปคิดมาเอ๊มันก็กินไม่ได้ก็เลยขว้างทิ้งไปเลย อ, อย่างพุทธศาสนิกชนที่เกิดมาปูา่ย่าตายายพานับถือพระพุทธเจ้าเนี่ยนะก็เกิดมาก็เหมือนกับว่าได้เพชรเลยได้พลอยเลยเสร็จแล้วได้ไปได้มาก็เลยทิ้งเลยก็ไม่รู้เห็นมีประโยชน์อะไรเลยฟังกันก็เลยเลิกนับถือพระพุทธศาสนาก็มีไม่น้อยเนี่ยนะก็มีไม่น้อยยังก็ถ้าขาดความเข้าใจแม้กระทั่งศรัทธาก็เลื่อนลอยเต็มทีเนี่ยนะมันศรัทธาทั่วๆไปโดยมากก็ ไม่ได้เป็นไปเพื่อประโยชน์อะ น, นะคือเป็นของปุถุชนไม่ประเสริฐไม่ประกอบด้วยประโยชน์ไม่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อความดับเพื่อความสงบระงับเพื่อรู้ยิ่งเพื่อตรัสรู้และก็เพื่อนิพพานอันนี้เป็นเครื่องวัดอย่างหนึ่งของคำว่าได้อ่นนะถ้าใครนึกวัดได้อะไรก็ตามเอามาตั้งเลยนะได้การได้อ น, นันเป็นไปเพื่อมรรคผลนิพพานไหมอ่นนะหรือคาถามใหม่ก็ว่าการได้ครั้งนี้ของเรา เป็นไปเพื่อแทงตลอดสัจจะไหม้ามการได้ครั้งนี้หรือได้สิ่งนี้ถ้าไม่เป็นไปเพื่อแทงตลอดสัจจะให้รู้ทะว่าน่าจะเสียแล้วละ่ะเนี่ยนะกระวาดได้ที่มาพร้อมกับการสูญเสียเนี่ยนะการได้ที่มาพร้อมกับการสูญเสียแต่ถ้าหากว่าเป็นการได้ที่ถูกต้องนะว่าดูค่อมที่สูงทั้งหลายส่วนผู้ใดมีศรัทธาตั้งมั่นมีความรักตั้งมั่นมีศรัทธาไม่หวั่นไหวมีความเลื่อมใสยิ่ง ย่อมไปฟังธรรมะของพระตถาคตหรือสาวกของพระตถาคตขออภัยศรัทธาเห็นไหมคือส่วนผู้ใดมีศรัทธาตั้งมั่นมีความรักตั้งมั่นมีศรัทธาไม่หวั่นไหวมีความเลื่อมใสยิ่งย่อมได้ศรัทธาในพระตถาคตหรือสาวกของพระตถาคตการได้นี้ยอดเยี่ยมกว่าการได้ทั้งหลายย่อมเป็นไปพร้อมเพื่อความบริสุทธิ์แห่งสัตว์ทั้งหลายเพื่อก้าวล่วงความโศก และความร่ำรวยเพื่อความดับศูนย์แห่งทุกข์และโทมนัสเพื่อบรรลุญายธรรมเพื่อทําให้แจ้งซึ่งพระนิพพานเนี่ยนะดูก่อนพิสูจนทั้งหลายข้อที่บุคคลผู้มีศรัทธาตั้งมั่นมีความรับตั้งมั่นมีศรัทธาไม่หวั่นไหวมีความเลื่อมใส ย, ยิ่งย่อมได้ศรัทธาในพระตถาคตหรือสาวกของพระตถาคตนี้เราเรียกว่าลาภานุตริยะก็ศรัทธาที่เป็นไปเพื่อบริสุทธิ์เนี่ยนะ วิธีวัดคร่าวๆอีกอย่างหนึ่งว่าในการได้ของเรานะหนึ่งเพื่อบริสุทธิ์จากโลภะโทสะโมหะไหมอันนี้ก็เป็นเครื่องตรวจสอบเป็นอย่างดีเลยนะคือสัตว์จะเศร้าหมองก็เพราะราคะโทสะและโมหะสิ่งที่เรากาลังศรัทธาอยู่ตอนนี้เป็นไปเพื่อสิ้นราคะโทสะโมหะไหมจะได้บริสุทธิ์เนี่ยนะอย่างแรกอย่างที่สองเพื่อก้าวเล่วงความโศกและความร่าไรได้ไหม เนี่ยนะเป็นที่พึ่งได้ไหมว่าถ้าโศกแล้วสิ่งนี้ช่วยเราได้เนี่ยนะถ้าปริเทวะคร่ำครวญแล้วสิ่งนี้ช่วยเราได้ในสิ่งที่เราศรัทธาเนี่ยนะหรือว่าทุกทุกทั้งหลายโดยเฉพาะทุกในอบายหรือโทมนัดความเสียใจยอย่างใดอย่างหนึ่งสิ่งที่เราได้อยู่นี้ช่วยเหลือเราได้ไหมเนี่ยนะแล้วก็เป็นไปได้ไหมสิ่งที่เราศรัทธาเนี่ยทำให้บรรลุมรรคนะยายะเป็นชื่อของอริยมรรคแล้วก็สุดท้ายก็คือ พระนิพพานที่สงบระงับดับวัตะโดยสิ้นเชิงเนี่ยเป็นไปได้ไหมเราก็จะได้มาตรวจสอบสิ่งที่เราสิ่งที่เราได้เนี่ยนะการได้คือโดยเฉพาะศรัทธาเนี่ยนะหรือการได้อะไรก็ช่างเถอะในในโลกที่เราได้ก็เอาสิ่งเหล่านี้มาวัด <c oughs> ก็สามอย่างเลยนะคือหนึ่งการเห็นการเห็นเป็นไปเพื่อรู้อริยศาสตร์ไม้สองฟังสิ่งที่เราฟังนี่เป็นไปเพื่อการแทงตลอดอริยศาสตร์ไม้ข้อสามก็ ได้สิ่งที่เราได้ก็เป็นไปเพื่อแทงตลอดอริยศัพท์ไหมถ้าไม่เป็นไปตามนั้นก็ให้รู้เถอว่าอาลาภเรียกว่าอะไรนะยเสื่อมลาภใช่ไหมอาลาภก็เสื่อมลาภเนี่ยนะโดยเฉพาะการเสื่อมลาภจากพระศาสนานี้ก็นับว่าไม่มีอะไรจะเสียเท่านี้อีกแล้วเนี่ย น, นะคือ พูดเอกนายหนึ่งอะนะถ้าเกิดมาเนี่ยโหภาพเนี่ยหมายความว่าสิ่งที่งดงามในโลกเนี่ยมีเต็มไปหมดแต่เกิดมาแล้วตาบอดนี่ถามว่ามันเสียหายมากไหมโคนอื่นเขาดูแต่สิ่งดีๆไปหมดเลยนะของเราตาบอดอยู่คนเดียวก็นับว่าศูญเสียอย่างอย่างยิ่งใหญ่ฉันใดผู้อื่นที่เขาเห็นพระพุทธเจ้าเห็นสาวกของพระพุทธเจ้าเขาฟังธรรมของพระพุทธเจ้าเขาฟังธรรมของสาวกของพระพุทธเจ้าเขาได้ลาบคือศรัทธาในพระพุทธเจ้าเขา อันะได้ลาบคือสรัทธานในสาวกของพระพุทธเจ้าแต่เราเนี่ยลาบเหล่านี้เราไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็นับว่าเสียมากๆเลยนะก็เอาไว้เจริญกรุณาได้นะถ้าใครที่ไม่มีลาบเหล่านั้นก็นั่นแหละไว้กรุณาเถอะคนถ้าอย่างนี้ไม่น่าการุณาแล้วไม่รู้ใครจะน่าการุณาที่สุดเนี่ยนะเพราะว่าเป็นผู้ที่มีทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้วหมูมาว่าไงนะทูเรวัตใช่ไหมกลุ่มทูเรวัตทั้งหลายแหละนี่ก็น่าเห็นใจเป็นอย่างมาก ทูเรเนี่ยสับแปลว่าไกลในที่ไกลแบบนั้นเนี่ยวัดก็หมายถึงวัตตะก็คือผู้มีในวัตตะในที่ไกลก็คือ แ, แปลว่าผู้มีวัตตะไม่สิ้นสุดก็ไม่ผิดอะไรเนี่ยนะก็หมอก็ได้แต่งประโยคบาลีนหนึ่งประโยคขึ้นมาเองได้ลนะทูเรวัดแบบนั้ น, น <c ười> ทีนี้ต่อไปนะ อนุตริยะที่4ี่ก็คือศึกานุตริยะในบรรดาการศึกษาในโลกไงนะดูก่อนพิสูจนทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้ย่อมศึกษาศิละปะเกี่ยวกับช้างบ้างไงนะสมัยก่อนนะถ้าใครมีความรู้ในด้านช้างนี่ถือว่าโอ้สุดยอดแล้วนะสมัยนะั้นนะนะหรือว่ามีศิละปะเกี่ยวกับเรื่องม้าบ้างเรื่องรถเรื่องธนูเรื่องดาบหรือศึกษาศิละปะชั้นสูงและชั้นต่ำไงนะถ้าสมัยนี้ก็อาจจะ จบชั้นสูงเนี่ยเอาแค่ไหนแค่ไหนจริงจะเรียกว่าสูงจานิดนิดขึ้นขึ้นไปอยู่ดาวเออเข้าออกนอกโลกหรือ <c oughs> เปานะหรือว่าตึกอยู่ชั้นที่ร้อยสิบอย่างเงี้ยนะ <c oughs> ชั้นสูงเห็ <c oughs> นไหมอ๋อเป็นยาเอกออเห็นไหมยาเอกก็สูงมากอลยนะ <c oughs> <c oughs> อ๋อต้องไม่ใช่ประกาศนียบัตรบัตรเดียวนะต้องได้เยอะๆอย่างนีก็หรืออ่า น, นะ ย่อมไปศึกษาต่อสมณะหรือพราหมณ์ผู้เห็นผิดผู้ปฏิบัติผิดอย่างอย่างเขามีนะคนไทยส่วนหนึ่งที่ไปอินเดียเนี่ยคนอื่นไปไหว้สังเวชนิยสถานเจ้านี้เขาไปทําอะไรไปฝึกโยคะกับพวกฤาษีกลุ่มนั้นเห็นไหมอ่านะมีมีนะรู้จักที่เขาไปฝึกโยคะกับพวกฤาษีทั้งหลายแหละเห็นไหมไปพวกฝึกดัดตนไปฝึกกินแบบฤาษีเหรนะ ไปฝึกใช้ชีวิตแบบรูสีช่วงไหนกินช่วงไหนอดเนี่ยนะไปเรียนวิชานั้นขึ้นมาคนอื่นเขาไปกราบพระรัตนตรัยเจ้านี่ไปฝึกเนี่ยไปฝึกแบบรูสีเนี่ยนะเนี่ยนะดีไม่นุ่งลมหมอากาศกลับมาเมืองไทยเนี่ยงั้นเดือดร้อนอีกแน่เนี่ยนะเนี่ยนะก็กขนาดนั้นก็ยังมีอ่ะนะไปศึกษารับที่ผิดๆเนี่ยนะ ดูการพิสูจน์ทั้งหลายการศึกษานี่มีอยู่เราไม่กล่าวว่าไม่มีแต่ว่าการศึกษานั้นเป็นการศึกษาที่เลวเป็นของชาวบ้านเป็นของปุถุชนไม่ประเสริฐไม่ประกอบด้วยประโยชน์ไม่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อคลายกำนัดเพื่อความดับเพื่อความสงบระงับเพื่อรู้ยิ่งเพื่อตรัสรู้เพื่อนิพานก็ไม่ปฏิเสธว่านั้นะไม่ใช่การศึกษาก็เรียกว่าศึกษาเหมือนกันนะแต่ว่ามันจบที่ไหนไม่ทราบนะเนี่ยนะ ก็ไอคนให้ประกาศนียบัตรเขาก็ตายไปแล้วเนี่ยนะไอคนที่รับประกาศนียบัตรก็ไม่รู้จะเอาไปใช้ทำอะไรต่อไปเลยน ะ, ะ น, นั่นก็พิจารณาเอาทีนี้ถ้าหากว่าผู้ใดผู้หนึ่งที่มีศรัทธาตั้งมั่นมีความรักตั้งมั่นมีศรัทธาไม่หวั่นไหวมีความเลื่อมใส ย, ยิ่งย่อมศึกษาอธิสีละศึกษาบ้างเนะก็อธิศีลสิึกษาอาจารย์เคยสอนได้กี่ข้อศึกษาอธิสีลสิกา อาชีวมัทกะศีลอ๋อมีอาชีพเป็นที่แปดเงี้ยนะ่ น, นะก็สังเกตดูนะว่าศึกษาศีลสิลสึกษาในส่วนนั้นนะหรือว่าอธิจิตต่ศึกษาใครเจริญสมถะข้อไหนคุณกระจายเจริญกรรมฐานอะไรเป็นปกติ อ, อ่นะพุทธานุสติเงี้ยนะนะเอ้าไม่เจริญได้ยังไงไหวพระทีหนึ่งก็พุทธานุสติทั้งหนึ่งเงี้ยนะหรือว่า อ, อ, อ, อธิปัญญาศิกษา เนี่ยนะก็สมถะเออโดยเฉพาะวิปัสนาเนี่ยนะก็ศึกษาตรายศึกขานั่นแหละในธรรมวินัยที่พระตถาคตประกาศแล้วการศึกษานี้ยอดเยี่ยมกว่าการศึกษาทั้งหลายเนี่ยนะเรียกว่าศิกษานุตรยาเนี่ยนะยอดเยี่ยมที่สุดแล้วก็ใครรู้สึกว่าภูมิใจมั่งที่ได้ศึกษาพระพุทธศาสนาเนี่ยนะก็โหคุณอนันย ง, งยกมือเลยนี่อ <laughs> นั้นโมทนาะมุทิตาด้วยโมทนาด้วยเนี่ย น, นะก็บอกว่าเออดีนะแหมมี ดีคำว่าเหมือนว่าได้บุญมากเลยนะที่ได้ศึกษาพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะศึกษาตรายศิขาที่ศีลที่จิตอธิปัญญาเนี่ยถ้าไม่ศึกษาอย่างนี้ไม่รู้จะไปยังไงนะสงสารตัวเองเลยนะแหมรู้สึกดีใจมากเลยที่ได้ศึกษานี่ก็นับว่าแสดงว่ามีอัธยาศัยมากแล้วเพราะนี่แหละเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมกว่าการศึกษาทั้งหลาย <c oughs> ย่อมเป็นไปพร้อมเพื่อความบริสุทธิ์แห่งสัตว์ทั้งหลาย <c oughs> เพื่อก้าวล่วงโศกกะปริเทวะเพื่อ ดับศูนย์แห่งทุกข์และโทมนัสเพื่อบรรลุญายธรรมเพื่อทําให้แจ้งซึ่งพระนิพพานดูวยความพิสูจนทั้งหลายพ่อที่บุคคลผู้มีศรัทธาตั้งมั่นมีความรักตั้งมั่นมีศรัทธาไม่หวั่นไหวมีความเลื่อมสายยิ่งย่อมศึกษาอธิศีลบ้างอธิจิตบ้างอธิปัญญาบ้า ง, า ง, า ง, า ง, างในธรรมวินัยที่พระตถาคตประกาศแล้วนี้เรียกว่าศิกขานุตริยะเนี่ยนะก็น่าจะดีใจนะเมื่อไหร่ที่ปาราบอธิศีลสิกขานี่เออนี่สิ่งยอดเยี่ยมนะ เมื่อไรที่ปรารบอธิจิตตสิกขานะนี่สิ่งยอดเยี่ยมนะย่งนันะขณะที่ปรารบขันอายตนาธาต์เออนี่ยอดเยี่ยมนะเนี่ยนะก็ให้รู้สึกว่าภูมิใจแบบนั้นบ้างถ้าไม่มีภูมิใจไม่มีปราโมทแบบนั้นเลยก็แบบปีติสัมโพโธชงปัสสัที่สามโพโธชงมันจะเกิดได้ยังไงนะ่ยนั่นจะตรัสรู้ได้ยังไงถ้าไม่มีปีติสัมโพโธชงบ้างอยู่เลยเนี่ยนะคือเรียกว่าไม่ได้ดีใจเลยนะเขาว่าเขาว่าดีก็ดีก็เข้าไปก็เจริญไปอย่างนั้นอย่างนั้นแหละ ก็แสดงว่าก็พร้อมที่จะเลิกเหมือนกันถ้าคนอื่นมาบอกที่ดีกว่านี้เนี่ยนะที่ที่ตัวเองชอบใจกว่านี้เพราะฉะนั้นควรที่จะรู้คุณเข้าใจคุณให้มันดีเต็มที่เนี่ยนะก็จนกว่าจะใช้คําว่ามีความรักตั้งมั่นมีศรัทธาไม่หวั่นไหวมีความเลื่อมใสยอย่างยิ่งนะนะซึ่งซึ่งที่เรียกว่าไม่ต้องเอาพระมหาโมคคลานะมาประกันใจเราแล้วเนี่ยนะเราจะประกันด้วยเรี่ยวแรงของเรานี่แหละด้วยศรัทธาของเรานี่แหละว่าเรามีศรัทธาจริงๆใน พารตนาตรัยเนี่ยนะทีนี้ข้อต่อไปก็คือปาริจริยานุตรยาเนี่ยนะปาริจริยานุตรยะนี่ก็คือการบำรุงแต่จริงๆก็คือการรับใช้หรือการปรนิบัตินั่นแหละดูการพิสูจทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้ย่อมบำรุงกษัตริย์บ้างบำรุงพราหมบ้างบำรุงขุนหาบดีบ้างบำรุงคนชั้นสูงหรือว่าคนชั้นต่ำ เนี่ยนะก็คือกิจาการงานอาชีพทั้งหลายแหลท่ที่ที่ทำเนี่ยนะบำรงสมณะหรือพราหมณ์ผู้เห็นผิดผู้ปฏิบัติผิดดูความพิสูจทั้งหลายการบํารุงนี้นั้นมีอยู่เราไม่กล่าวว่าไม่มีก็แต่ว่าการบํารุงนี้นั้นเป็นการบํารุงที่เลวเป็นของชาวบ้านเป็นของปุถุชนไม่ประเสริฐไม่ประกอบด้วยประโยชน์ไม่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายคลายกําหนัดเพื่อความดับเพื่อความสงบระงับเพื่อรู้ยิ่งเพื่อตรัสรู้เพื่อนิพพานเนี่ยนะ การการบำรุงการรับใช้การปรนิบัติทั่วๆไปเนี่ยนะก็ไม่ได้เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์อะไรนะนะถ้าจะว่าไปจริงๆนะก็บอกว่าการปฏิบัติอะไรที่ไม่ได้เป็นไปเพื่อพ้นทุกข์เนี่ยนะการรับใช้อะไรก็คือคําหนึ่งอะ่ะคือคําว่าเจ้าบาวเนี่ยไม่ได้เป็นไปเพื่อวิวัตตะสักข้อเลยนะนะก็คํานี้นี่แหละบาวผู้ยิ่งใหญ่นี้ไม่ได้เป็นไปเพื่อพ้นทุกข์เลยนะนะเชื่อถามคุณจะาอมดู ตำแหน่งนี้เป็นไปเพื่อวัตถาหรือเปล่าไม่ทราบนะก็บำรุงอย่างดีด้วยนะดูความพิสูจน์ทั้งหลายส่วนผู้ใดมีศรัทธาตั้งมั่นมีความรักตั้งมั่นมีศรัทธาไม่หวั่นไหวมีความเลื่อมใส ย, ยิ่งย่อมบำรุงพระตถาคตหรือสาวกของพระตถาคตการบำรุงนี้ยอดเยี่ยมกว่าการบำรุงทั้งหลายานะย่อมเป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์แห่งสัตว์ทั้งหลายเพื่อก้าวล่วงโสกะ และก็ปริเทวะเพื่อดับศูญแห่งทุกข์และโทมนัสเพื่อบรุญญายธรรมเพื่อทําให้แจ้งซึ่งพระนิพพานด้วยความพิสูจน์ทั้งหลายข้อที่บุคคลผู้มีศรัทธาตั้งมั่นมีความรักตั้งมั่นมีศรัทธาไม่หวั่นไหวมีความเลื่อมใสยิ่งบํารุงพระตถาคตหรือสาวกของพระตถาคตนี้เราเรียกว่าปาริจริยานุตริยะเนี่ยนะอันนี้ก็เป็นการบํารุงที่ที่ประเสริฐสูงสุดที่สุดเนี่ยนะก็ ถ, ถ้าบํารงพระพุทธเจ้าก็คือการปัดกวาดเช็ดถูพระพุทธรูปนี้ก็ได้อา น, นิสงส์มากเลยนะอย่างหนึ่งหรือการถ้าเป็นพระธรรมล่ะบำรงพระธรรมก็ทํำยังไงเห็น ไ, ไหมก็คล้ายๆกับการเผยแพร่พระธรรมที่ที่เป็นคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะอันนั้นก็ชื่อว่าเป็นการบํารุงเหมือนการการบํารุงพระสงค์ก็คือการถวายปัจจัย4ี่นั่นเองก็มุ่งไปที่ปารบสังฆทานก็แล้วกัน ทีนี้มาดูข้อสุดท้ายนะอนุสตานุตริยการตามระลึกนนเนี่ยนะดูก่อนพิสูจทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้ย่อมระลึกถึงการได้บุตรบ้างเนี่ยนะระลึกถึงภรรยาบ้างระลึกถึงการได้มากหรือว่าได้น้อยเนี่ยนะนึกถึงการได้ทั้งหลายแหละนะได้โนู่นได้นี่ต่างๆหรือระลึกถึงสมณะหรือพราหมณ์ผู้เห็นผิดผู้ปฏิบัติผิดดูก่อนพิสูจทั้งหลายการระลึกนี้มีอยู่เราไม่กล่าวว่าไม่มีนนะ ระลึกถึงก็คือคิดถึงอะนะไอ้การคิดถึงทั่วๆไปอะการคิดแบบนั้นมีอยู่ไม่ใช่ว่าไม่มีเนี่ย น, นะแต่ว่าการระลึกนี้นั้นเป็นกิจเลวเป็นของชาวบ้านเป็นของปุถุชนไม่ประเสริฐไม่ประกอบด้วยประโยชน์ไม่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดเพื่อความดับเพื่อความสงบประงับเพื่อรู้ยิ่งเพื่อตรัสรู้เพื่อนิพพานดูความพิสูจนทั้งหลายส่วนผู้ใดมีศรัทธาตั้งมั่นมีความรักตั้งมั่น มีศรัทธาไม่หวั่นไหวมีความเลื่อมใสยิ่งย่อมระลึกถึงพระตถาคตหรือสาวกของพระตถาคตการละลึกนี้ยอดเยี่ยมกว่าการระลึกทั้งหลายย่อมเป็นไปพร้อมเพื่อความบริสุทธิ์แห่งสัตว์ทั้งหลายเพื่อก้าวล่วงความโศกและความร่ำไรเพื่อดับสูญแห่งทุกข์และโทมนัทเพื่อบรรลุญาตธรรมเพื่อทําให้แจ้งซึ่งพระนิพพานดูความพิสูจน์ทั้งหลายข้อที่บุคคลผู้มีศรัทธาตั้งมั่นมีความรักตั้งมั่น มีศรธรรมไม่หวั่นไหวมีความเลื่อมใสยิ่งย่อมระลึกถึงพระตถาคตหรือสาวกของพระตถาคตนี้เรียกว่าอนุสตานุตริยะเนี่ยนะพูดอีกในหนึ่งว่าเวลาเราละลึกถึงพระพุทธเจ้านะดีใจไหมนี้บทว่าอรหังนะดีใจมากที่มีที่ได้ละลึกถึงพระพุทธเจ้าว่าพระ อ, องค์เป็นผ้าอรหันนะพระ อ, องค์เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระ อ, องค์เป็นผู้มีวิชาและจารณะนะแต่ละบทเนี่ยแปลว่ามีความดีใจภูมิใจไหมที่ว่าถ้าไปละลึกแบบนั้นนะนะ นึกถึงคุณค่าของสติอันนั้นเนี่ย น, นะถ้าถ้าได้อย่างนี้ก็แสดงว่าหวังได้เลยว่าเขาจากเจริญพุทธานุสติเป็นต้นอย่างอย่างดีเป็นแน่เนี่ย น, นะถ้าถ้ามันหรือเห็นคุณของของอนุสติเหล่านั้นเนี่ย น, นะก็คิดดูนะว่าคนในโลกนี้ตั้งเยอะแยะไปหมดนะเราคิดถึงพระพุทธเจ้ากับคนเหล่านั้นเนี่ยคิดถึงใครมากกว่ากันเนี่ย น, นะแสดงว่าตอนที่เราเลลึกถึงบุคคลทั่วๆไปที่ไม่ใช่พระพุทธเจ้าหรือสาวก ข, ของพระพุทธเจ้าเนี่ย น, นะ ก็เชื่อว่าไม่ใช่อนุสตานุตริยะโดยทั่วๆไปโดยมากนะคนจะคิดถึงสิ่งที่ไม่ใช่หรือไปละลึกถึงคนที่ไม่ควรระลึกถึงซะส่วนใหญ่นะเนี่ยนะคนดีๆเราก็ไม่ค่อยนึกไหมทั่วไปก็นึกถึงแต่คนไม่ค่อยดีอันนะี้ไม่รู้ว่าใครไม่ดีกันแน่นะ <c oughs> จริงๆมันน่าจะธาตุมันใกล้ๆ ก, กันอยู่เหมือนกันนะ <c oughs> จรู้ว่าเขาไม่ดีจะไห้เขาคิดถึงบ่อยๆนะแล้วทําไมเขาจึงไม่ดีก็ไม่ต้องถามเอ๊ะแล้วทําไมเราคิดถึงเขาเพื่ออะไรเนี่ยนะก็ถามแบบนี้บ้างอนะจะรู้ว่าเออไม่น่าไม่รู้จะคิดเอามาทําอะไรอนะ่ะเนาะก็สังเกตดูนะพระพุทธเจ้าก็คุณดั้งเยอะแยะไปหมดเลยนะคุณจนหาประมาณไม่ได้นึกก็ไม่ค่อยมากนะเวลาไหว้พระนัก็อราระหังสัมมาสามัมพุทโธพะคะวาสักพักหนึ่งอา้าวเดี๋ยวไปคิดเรื่องอื่นต่อไปอีกแล้วนะคนโน้นบ้างคนนี้บ้างซึ่ง ซึ่งว่าไม่ได้เป็นไปเพื่อมักผลอะไรเลยเนี่ยนะดีไม่ดีประโยชน์โลกนี้ไม่มีซะด้วยซ้ําไปนอกจากอุทจักกุกุจักมันกําเริบมากขึ้นเท่านั้นเองเนี่ยนะนอกจากนิวรกลุ่มรุ ม, รมมากเท่านั้นเองจริงๆแล้วพระพุทธเจ้าหรือสาวกของพระองค์เนี่ยนะที่บรรลุมักผลที่เป็นผู้ปฏิบัติดีจริงๆก็มีเยอะแยะไปหมดที่เราควรจะจะระลึกใช่ไหมก็ แลลึกถึงนู่นแหละนางวิสาขาก็ยังดีนาถาบินทิกะก็ยังดีเนี่ยนะ ก, ก็ดีจริ ง, รงๆแล้วละ่ะแต่ว่าไม่เป็นอย่างนั้ น, นสิเนี่ยนะไปแลลึกถึงนู่นแหละที่ใครที่มันทําปาณาติบาตมากๆก็ ล, ลึกถึงพวกนั้นแหละเนี่ยนะแล้วลึกถึงพวกทำมาทินนาทานมากๆเนี่ยนะแลลึกถึงพวกที่โอ้ทาไมเขาทาการเมได้ตั้งเยอะแยะไปหมดเลยก็มาคิดแล้วคิดอีกอ่นั้นแหละไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเลยนะหรือไม่ก็ไปคิดถึงคนที่เขามุสาวาตอยู่นะ เขาหลอกทําอะไรเนี่ยนะก็คิดไปคิดมาก็น่าตั้งคำถามบ่อยๆนะเอ๊ะคิดไปทําอะไรนี่เหมือนกัน น, นะที่เราไปคิดๆเนี่ยคิดไปทําอะไรแล้วมันมีประโยชน์อะไรบ้างมันจะรู้ว่าริยสัจได้ยังไงเนี่ยถ้ามัวแต่คิดอย่างนี้อยู่เห็นไหมแล้วก็ต้องให้เหตุโทษของ